ขอโมทนากรอเราทั้งหลายเนี่ยตั้งใจในการที่ศึกษาพระธรรมอในครั้งนี้ก็ศึกษาต่อจากครั้งที่แล้วในครั้งที่แล้วก็ศึกษาสติปฐานสูตรว่าจะเรื่องของเวทนานุปัสนาสติปฐานตอนนี้ก็ขึ้นถึงเวทนาแล้วเออพอพูดถึงมากับสติปฐานเนี่ยไม่รู้มีความเกี่ยวข้องยังไงไม่รู้เป็นเรื่องแปลกจริง ในคในสูตรนี้โดยเฉพาะนี่เนะี่ยพี่บัญญาสติปัฏฐานมาเนี่ยน่าจะเป็นรอบที่สี่ที่หนะ้าแล้วเป็นเรื่องแปลกมากเลยนะแล้วไปไปบรรญยายอยู่ตอนนี้นะบรรญยายอยู่อยู่สามที่ก็บรรยายสูตรเดียวกันในสติปัฏฐานกอเป็นเรื่องแปลกเลยที่ทำไมฮะแปลกก็คือว่าจริงๆเนี่ยเขาน่าจะบรรยายเรื่องอื่นกันใช่ไหมแต่อาก็ได้บรรยายในเรื่องนี้ บรรยายจนเนี้ยแล้วตั้งแต่ไหนแต่รบรรยายมาแต่ๆอย่างนี้จนไม่ชบไม่ใคยพู ด, พดตัวเองย้านานเลยแต่พูดถึงในลักษณะว่าทําไมต้องมีเหตุปัใจจัยในการที่จะต้องมาบรรยายแต่สูตรเนี้เป็นเรื่องแปลกมากเออเป็นเรื่องแปลกจริงๆไปที่ไหนยอมก็บอกว่าที่จริงอ่ะที่ที่กรุงเทพเอะไรมาก็จะไปบรรยายเรื่องอื่นเขาบอกไม่ได้ขอเรื่องนี้ใช่ไหม พี่จีาเขาบอกเขาขยายรื่องอื่นเบอกเขาอยากฟังเรื่องเนี้ยก็บอกเอาเขาบรรยายบรรยายที่อื่นเนี่ยอุเทศยังไม่จบเลยเนี่ยอุเทศเนี่ยนี่พวกนี่พวกเราเนี่นำหน้าเขาหมดนล้วเนี่ยที่อื่นเนี่ยเขาบรรยายอุเทศยังไม่ยังไม่ขึ้นกายานุปัสนาเลยอุเทศยังไม่จบเลยบรรยายแต่แล้วเขาเขาเขาไม่ใช่บรรยายแบบอาทิตย์หนึ่งอย่างเรานี่นะเสาจันทรอังคาร ที่จริงจะแท้มาต่อเสาร์อาทิตย์เดิมมาบอกไม่ได้อาทิตย์ติดก็เลยอ า, อ า, อาทิตย์ละสาวันอาทิตย์ละสามวันทีนี้เขาจะขอเป็นสี่ะมาบอกค่อยนี่หัดวัววทีนี้เขาแตกแต่ตรงนั้นเขาต้องการไอเขาเป็นเขาต้องการที่เชิงเชิงลึกลึกก็คือว่าเอาเน้นลงสู่การพื้นฐานกันแต่นี้ก็พอช่วงปลายเมษาก็จะไปจัดปฏิบัติเรื่องสถิติฐานกีนเขาต้องการ เพื่อเป็นคนที่เขาต้องการอยากจะมีความเข้าใจวันอะไรนะเพื่อนกันวันวันเสาร์เพราะว่าคือคือสังเกตดูเท่าที่สังเกตเนี่ยมารายาหลังทําไมเขาต้องการฟังในเรื่องนี้ามาเข้าใจแล้วเพราะว่าการการปฏิบัติมันเกิดผุดขึ้นเยอะในช่วงพอผุดขึ้นเยอะมันก็เลยต่างเพราะจุดต่างกันมาเขาคุยเ้าเถียงกันเอง เทียงไปเทียงมาไม่รู้จะลมที่ไหนก็าห า, าว่าใจวิดดกยืนยันก็เลยช่วงนี้พอดีเลยไงช่วงที่เออมีการศึกษาพระใรวิดดกเหมือนเราศึกษาคือจริงๆทุกวันนี้ทุกคนก็ต้องการเหตุผลต้องการหลักฐานที่ชัดเพราะเคาะสานักต่างๆสถิติประธานมันขูดขึ้นอย่างกระดอกเห็ดเลยใช่ไหมหนักเข้านักเข้าก็เลยไปเอ๊ะทําไมสถิติประธานไม่ตรงกันก็เริ่มหันเข้ามาหันเข้ามาก็เลยมาดูที่ต้นต่อก็ ก็เลยตอนนั้นจริงๆก็นี่มันให้นามาไปบรรยายเรื่องอื่นไปไปมาเขก็เลยเอขอให้บรรยายด้วยทีนี้เขาบอกว่าไม่ไม่ต้องการเยอะตำนักแล้วคนที่เคยเจ็บปวดในตำนักกันมาทั้งนั้นยังมันยังยาวไกลทั้งนั้นเลยก็เลยมารวมกันเป็นคณะหนึ่งบอกว่าเอ๊ะมันเกิดความสับสนนาะมาก็เลยนึกถึงในใจเหมือนกับชาวกะละมะนะังกะละมานชนนะที่สับสนว่าเอ้ะอะไรเป็นของ จริงของแท้เป็นต้นเออมาเกิดยุคนี้แปลกดีก็เลยต้องหันมาศึกษาคำํำสอนแล้วต่อไปแล้วก็ต้องไม่ไม่เชื่อใครแล้วก็เชื่อคําสอนของพระพุทธเจ่าใช่ไหมคิดเออมันก็เป็นยุคที่ดีเหมือนกันกนะามองอีกอย่างนี้อย่างนี้ถือว่าดีไหมถ้าเป็นเรื่องที่ดีนะที่ว่าเออเป็นยุคที่ว่าเขาต้องการอยากจะดูว่าเออมันเป็นยังไงก็มีคนเอดใจขึ้นมาก็เลยมามอยเริ่มมาศึกษาภัะไตรปิฎกกันเพราะแต่ก่อนก็ศึกษาพิธรรมกันมา แต่ก็ไม่ได้มีรูปแบบใช่ไหมที่จะเอามาปฏิบัติกันยังไงเพราะสติปัญญาของคนในยุคนี้ก็ไม่รู้จะคิดยังไงเอาท่องจิตได้เจตสิกได้รูปได้สิพานได้ใช่ไหมท่องเวทนาเหตุกิจวัตรอารมณ์วัตถุได้ศึกษาวิถีศึกษามาติการศึกษาทั้งปฏิจจสมุปบาททั้งสมถกรรมฐานวิปัสสนากรรมฐานแต่พอไปดูสติปัฏฐานไปกคนละมุมเนี่ยนะก็เลยไม่รู้จะยังไงกันก็เลิก ม, มาคำสอน คําสอนที่พูดกันมากที่สุดว่าเอสํานักนี้ปฏิบัติตามสติปัฏฐานคือไปพูดตรงนี้กันเยอะไงได้เป็นพาล่าเลยเดียเยวนี้ไปที่ไหนก็พูดถึงสติปัฏฐานคือคือจริงๆมันเป็นไม่ได้หรอกแต่เพียงว่าให้ถูกคําสอนได้ให้ถูกคําสอนถ้าต่อไปก็ตรงนี้ก็เลยเป็นสาเหตุหนึ่งนะที่ทําให้เราท่านทั้งหลายเนี่ยเออจะได้ไประโยชน์ ได้ประโยชน์ตรงที่ว่าเราจะได้รู้ว่าคําสอนของพระผู้มีพระภาคเจ้าเนี่ยเนี่ยคําสอนของพระพุทธ เ, เจ้าเนี่ยเโดยพระองค์ตรัสไว้ไวยังไงใช่ไหมตรงนี้ครั้งที่แล้วก็เอาพูดในเรื่องของส ก, กะปัญหาสูตรใช่ไหมเป็นปสูตที่เท้าส ก, กะทรงถามปัญหาแก่พระผู้มีพระภาคเจ้าเท้าเธอเท้าเธอเนี่ยนะร้อนลมกุมใจเรื่องอะไรร้อนลมกุ้มใจเพราะว่า ถ้าส ก, กะนั้นอายุท่านหมดอีกเจ็ดวันท่านจะตายเลยเนี่ยพราะอีกเจ็ดวันท่านจะตายในคนเราเนี่ยนะพอบอกว่าจะตายแล้วเนี่ยมันดิ้นทุกคนเลยใช่ไหมเอาเราท่านทั้งหลายถ้าเราบอกว่าเกิดหมอบอกว่าอายุอยู่ประมาณไม่ถึงแปดวันเนี่ยน่าจะอยู่ประมาณสักเจ็ดวันตายเนี่ยชีวิตนี้เราจะเจะขาที่พึ่งไหมดิ้นสุดเลยใช่ไหม ท้าส ก, กาัดนี่ก็เหมือนกันร้อนใจตอนที่ว่าเท้าส ก, กาัดท่านทราบนิมิตของท่านคนมีบุญเนี่ยมักจะรู้ว่าตนเองจะหมดบุญใช่ไหมก็คือวิมานพวกสวนจิตระดาสวนปารุส ก, กวันสวนมิสกาวันเป็นต้ตนอะไรเนี้ยอันนั้นอยู่ในสวรรค์ชั้นดาวดึงนะ <c oughs> ใช่ไห ม, นนมเดี๋ยวนี้ก็มาจําลองอยู่ในกรุงเทพเลยแต่แต่ก่อนจริงๆก็คือโน่นอยู่บนสวรรค์นะท่านทับ สวรรค์พวกเนี้ก็คือบรรดาสวรรค์ต่างๆเหล่านั้นน่ะเท้าสกาท่านเป็นผู้ปกครองเป็นใหญ่อยู่ท่านบอกบอกว่าทรัพย์สมบัติของเท้าเธอในรองเท้าสกาเนี่ยเท้าสกาเนี่ปกครองเทวโลกสองชั้นจ่าตุลมหาราชิกาแล้วก็เดาวดึงเขาเป็นใหญ่ในเทวโลกสองชั้นใครก็อยากจะได้ยังไม่ตำแหน่งเนี่ยฉะนั้นถ้าใครขึ้นตำแหน่งสูงๆเนี่ยโอ้โหไม่อยากลงหรอก ใครเขย่ายังไงก็ไม่อยากจะโดดลงใช่ไหมอันนี้ท้าสกาก็รวมกันได้เป็นท้าสกาแล้วก็ไม่อยากจะตกลงมาแล้วก็กลัวใช่ไหมเท้าสกาเทวราชนั้นเห็นปุพพานิมิตเป็นเห็นปุพพานิมิตก็คือเห็นความเศร้าหมองของบันลังเห็นความเศร้าหมองของเสื้อผ้าเห็นความเศร้าหมองของทิพยยะสมบัติต่างๆเหล่านี้ใช่ไหมโดยเฉพาะก็คือว่าเห็นปุพพานิมิตมองดูสมบัติของตนเองเนี่ยนะบอกว่า เทพนครหมื่นยอดที่อยู่ในปกครองตัวเองเนี่ยนะประาศาสตร์ไพชยันน่ยสูงพันยอดสุธรรมเทวสภาสูงสามร้อยยอดต้นปริฉัดเนี่ยสูงร้อยยอดหินปันทุกัมพลศีราอาในะหกสิบยอดนางฟ้อนลำเนยี่สิบห้าโกดนางถนมเฉพาะฟ้อน ล, ลำแต่ละวันแต่ละวันเนี่ยยี่สิบห้าโกดโกดสิบล้านใช่ไหมยี่สิบห้าโกดลงไปคูณดูดีร้อย สองรอห้าสิบล้านใชนางเทพศิดาที่มาไล่เราไม่ดูเนี่ยเสียดายไหมถ้าตัวเองจะออกจากตาแหน่งนะั้นเสียดายไหมเทพบริษัทอีกสองเทวโลกก็คือทั้งจตรุมหาราชิกาและก็ดาวดึงเนี่ยนะสวนนันทวันสวนจิร ด, ดาสวนมิสกวันสวนปารุกสกวันก็ถูกความกลัวครอบงำโอ้โหเราจะต้องจากสวนเหล่านี้ไปซะแล้ว กรุงเทพมหานครน้ำมรกตดินาภพอสินเมืองเทวดาใช่ไหมเมืองเทวดาก็คือนิมิตจำลองมาจากเมืองของท้าวสากัดก็เลยมาเป็นกรุงเทพด้วยกันเดี๋ยวนี้ไม่่อ่มานะครัแล้วไปที่ไหนระเบิดลงก็ก็พอจะหมดจากอำนาจก็ก็กลัวก็กลัวก็อุทานมาบอกว่าท่านเอ๋ยสมบัติเหล่านี้จะคืบหายแล้วเนอะถ้าลองมาคิดดูเดียเรามีบ้านเนี่ย เราจะต้องจากบ้านมีลูกจะต้องจากลูกังไม่มีสามีมีมสมบัติมีตำแหน่งหน้าที่การงานมีทรัพย์จะต้องจากสิ่งเหล่านั้นมันทุกข์ฉะนั้นจะต้องจากแล้วถ้ายิ่งจะจากที่เรารู้กําหนดระยะเวลาแบบนี้เลยโอ้ยกินไม่ได้นอนไม่หลับก็พิจารณาดูแล้วใครจะช่วยเราได้ใครจะช่วยเราได้ใ ค, ไดใครจะดับโท ม, มันั้นในใจของเราได้ ไอ้โทมณนัสเวทนานี่เป็นต้นเวทนาขันใช่ไหมเกิดร่วมกับโทศาสเจตสิกใช่ไหงเป็นสังขารลขันใช่ไหมมีสัญญาเจตสิกด้วยอยู่ในนั้นใช่ไหมแล้วก็ปีวิญญาณขันอยู่ด้วยสรุปวันน้ำมาทำร้อนลุ่มใช่ไหมคือโทศาสนั่นเองร้อนลุ่มแต่โทมานัตมันแรงมากเท้าเธอเนี่ยเวลาเขาบอกเวลาโทมานัตมันเกิดขึ้นมาเนี่ยก็เริ่มแล้วหาหาสาระหาที่พึ่งไม่ได้ที่พึ่งจะทําไัไง ที่จริงเนี่ยตนเองเน่ยเดือดร้อนมาดังนานแล้วหาจังหวะไปเฝ้าพระเจ้าพระเจ้าก็ไปทีไรก็อยู่ในสมาบัติโอ้โหมีอยู่ครั้งหนึ่งไปเฝ้าพระเจ้าเนะี่ยตอนนั้นพระเจ้าเข้าสมาบัติอยู่ก็ไม่ได้เฝ้าเกงใจก็กลับแต่ก่อนจะกลับก็บอกเทวดาที่ถวายงานพระพุทธเจ้าอยู่เพราะมีเทวดาอีกตนหนึ่งท่านต้องการบูชาพระเจ้าก็ถวายยืนถวายงานพระพุทธเจ้าทีนี้ทา้าวสกาก็บอกบอกว่า นี่แม่เทพิดาเพราท่านได้ฐานานั้นเทพิดาตัวนี้เป็นพระโสดาบันด้วยเนียถามว่าถ้าพระพุทธเจ้าออกจากสมาบัติเมื่อไหร่เนี่ยกราบทูลด้วยว่าเท้าสกัดพร้อมได้บริวารมาเฝ้าคอยอยู่นานพระพุทธเจ้าเกรงใจพระพุทธเจ้าลาดทูลลาเดี๋ยวจะมาใหม่ก็พอมาครั้งนี้ก็ยังไม่ได้เฝ้านะก็เกรงใจพระพุทธเจ้าเพราะพระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นผู้ที่น่าเกรงขามมากจะเข้าเฝ้า สมสีส่สมห้าไม่ได้ก็เลยให้ปัญจาสิกขาคนทันเทพบุตรเนี่เพราะปัญจาสิกขาคนทันเทพบุตรเนี่ยมีความคุ้นเคยใช่ไหมคุ้นเคยกับพระพุทธเจ้าให้เข้าไปเฝ้าพระพุทธเจ้าแล้วก็รีบกราบทูลพระพุทธเจ้าท้าวสก่ะเจ้าเฝ้าออพร้อมเทวบริวารคือยกเทเทวบริวารมาทั้งหมดเลยยกทั้งในสวรรค์ชั้นเดาดึงทั้งจ่าตุ้มมากันเต็มสรุปคืออย่างนี้พระราชาสเสด็จเนี่ยเป็คนที่คอยต้อนรับก็เยอะ แต่คนที่พระราชาก็ไม่กล้าบอกใช่ไหมว่าตัวเองจอะาตายใช่ไหมไม่กล้าบอกคือหมายความว่าเท้าสก่าก็ไม่กล้าบอกลูกน้องว่าตนเองเนี่ยจะต้องจากสมบัตินี้ไปแล้วเพราะโดยเฉพาะเนี่ยบรรดาเท้าสก่าทั้งหลายเนี่อรู้เวลาตายกั น, นโดยโดยคนบุญทั้งนั้นใช่ไหมแต่รู้เวลาตายแต่ก็จะต้องมีเท้าสก่าองค์ใหม่ขึ้นมาแทนอยู่แล้วบุญนี้มันเป็นสมบัติผันกันชมใช่ไหม เมือสมมติโยมสุภาณฑาหงอะไถ้าไม่อยู่นี่ยจะมีคนอื่นดูแลแทนไหมมีไม่มีเขาเตรียมจองกันไม่หมดแล้วเขาเตรียมหมดแล้วใช่ไหมนั่นไม่ต้องไปเป็นนอนรสมบาดของเรามันก็ชั่วที่เราหายใจอยู่อะ่ะขนาดหายใจอยู่นั่นเน่ะถ้าถามว่าแล้วแน่นอนไหมบางคนเป็นนามาพาศแล้วเซนอะไรสักอะไรบอกแค่ไม่ได้เนี่ย้องไปนอนเซร้าอยู่บนเตียงคนไข้เริ่มบอกคนเนะ่ยคนเริ่มไม่เชื่อฟังแล้ว เอเป็นเรื่องแปลกจริงๆอํานาจเนี่ยมันหมดไปอย่างนั้นเลยท่านคนที่มีเหมือนมีอํานาจเหมือนมีอํานาจมันเป็นแค่ของเหมือนไอ้กามนี่มีโทษมากมีความขับแค้นมากโทษของกามนี่มีโทษอย่างยิ่งมีสุขนิดนังที่ได้กล่าวนั่นแหละถ้าเธอก็กวลก็วายดิ้นรนใช่ไหมทีให้ปัญจาสิกาคนทันเทพบุตรไปเฝ้าก็ไม่ยอมออกมาสักที พันจ่าศิขาคนทนันเทพปรุตไปก็ไปดีดพินบูชาพระเจ้าในขณะเดียวกันก็กล่าวเป็นการกล่าวแบบเป็นร้องเหมือนร้องเพลงบูชาปัญจ่าศิขาก็คือพูดถึงในเรื่องของกรรมคุณแล้วก็พูดถึงในเรื่องของโลกุตรคุณคือปัญจ่าศิขาคนทัานเนี่ยแกรักแกหลงรักนางสุริยวัชสาทีนี้แกก็พัฒนาวัตถุกราบที่ตัวเองรักมากแต่ก็เลยไปเทียบความรัก ข, ข, ข, ของของท่านเนี่ยของของแกเนี่ย กับพระอาริยบุคคลรักพระ น, นิพพานเหนคนละเรื่องเลยแต่คือสอนพารณาเรื่องวัตถุกรรมกิเลสกรมแล้วก็ไปพารณาอาริยะคือคุณของพระ น, นิพพานที่จริงเนะ่ะตรงเนี้ยถ้าใครไปอ่านสูตรนี้เนี่ยนะในสก a b ปัญหาสูตรในเล่มที่สิบสี่ถ้าไปอ่านในสูตรนี้นะเดี๋ยวจะอ่านแล้วอัดอัดถาอ่านไม่ได้ไอ้ไม่วิเคราะห์ไม่ได้ก็อยู่เอ๊ทะทำไมพระตรวิฎกทําไมพารนาแบบนี้ถ้าที่จริง ปัญจสิกขะคนทันเทพบุตรพูดถึงในเรื่องของวัตถุกรมว่าเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวเป็นเครื่องติกเป็นเครื่องผูกเป็นเครื่องล้างเป็นเครื่องร้งร อ, งรอยรัดให้สัตว์นั้นนะ่ะยินดีเพลิดเพลินแต่ท่านไม่ได้พูดตรงนั้นท่านพูดตัวท่านเลยว่าท่านเนี่ยหลงรักนางสุริยวัชสามาแต่นางสุริยวัชสานี่ไม่รักเธอไม่รักครับรักขนาดไหนขนาดที่ว่ายอมทุกอย่างได้ เหมือนพระริยาเนี่ยรักพระนิพพานยอมเหน็ดยอมเหนื่อยในการที่จะขัดเกลาตัวเองเน่ยยอมลําบากทิ้งบ้านทิ้งเรือนตัดสิ่งทุกอย่างตัดปริโภูดเพื่อปราถนาจะพ้นทุกข์ตนเองอะ่ะให้ทําอะไรก็ได้ถ้าเพื่อนนางคนนี้แต่พระริยาเนี่ยให้เป็นอะไรก็ได้ก็ขอให้ได้พระนิพพานใช่ไหมมันคนละมุมเลยคือท่านต้องการพรนณาหรือว่าวัตถุกรมเนี่ยมันติดอย่างนี้ แต่ถ้าคนน่นน้องก็หาพระนิพพานจะมีความสุขสมนัตขนาดไหนนั้นระหว่างสุขสมนัตที่เป็นเขาเรียกอะไรสุขสมนัตที่อาศัยอาศัยเรือนใช่ไหมสุขสมนัตที่อาศัยเนยกขุมะศภาฏย์ทียะกทั้งหลายเนี่ท่านได้สุขสมนัตเหมือนกันแต่ท่านอาศัยเนยกขุมะศูนย์พระนิพพานเป็นต้นแต่ปัญจสิกขาคนทันเทพบุตรเนี่ยลงรักนางสุริยวัชสาเนี่ย ได้สมณัติเป็นการต่เป็นสมณัติที่อาศัยเรือนเพื่อสายวัตถุกรรมถามว่าในสายตาของเทวดาทั้งหลายเห็นวัตถุกรรมในกรรมคุณเนี่ยในเทวภูมเนี่ยโอ้โหเป็นสิ่งที่น่ายินดีน่าเบื่อเบื่อน่ายุติเหมือนสัตว์โลกทั้งหลายที่อยู่ในมนุษย์ใช่ไหมก็ไปยินดีได้บอกว่าอะไรก็ได้ก็ขอให้เป็นไปทั้งเช่นตาเนี่ยเช่วเนชว่าอะอ่ะ ตาใช่ไหมก็เป็นที่ตั้งของความยินดีเป็นที่ตั้งของความเพลิดเพลินเป็นที่ตั้งความยึดติดรูปก็เป็นที่ตั้งของความยินดีเพลิดเพลินในยึดติดหูก็เป็นที่ตั้งของความยินดีเพลิดเพลิ agen, นใช่ไหมเสียงจมูกใช่ ไ, ไแล้วกลิ่นลิ้นแล้วรสแล้วกายสัมผัสใจแล้วก็ทำอารมณ์เห็นไหมสิ่งต่างๆเหล่า น, นี้เป็นที่ตั้งของตัณหา <laughs> brackets, เป็นที่ตั้งของความยินดีเพลิดเพลินฉะนั้นโดยสรุปก็คือว่าอย่างเราท่านทั้งหลายเนี่ย ท่านในส่วนของกายญานุปัสนาจําได้ไหมไอตัววัตถุทั้งหลายเนี่ยกายคือผมกายคือขนกายคือเล็บกายคือฟันกายคือหนังกายคือเนื้อกายคือเอ็นกายคือกระดูกทห็นไหมท่านบอกว่ากายนี้คือการเป็นอวัยวะน้อยใหญ่มีผมเป็นต้นนั้นมาหุ้มติดอยู่มาประชุมกันอยู่นที่ใดที่ตรงนั้นเรียกว่าที่เป็นบ่อเกิดเป็นแดนเกิด เป็นแดนเกิดเป็นที่เกิดเป็นบอ่อเกิดของผมของขนของเล็บของฟันของหนังใช่ไหมคําว่ากายยะตัว น, นั้นแปลว่าอะไรเยอะๆบางคนก็คือเป็นที่ประยุมของผมขนเล็บต้องดูที่สิ่งที่มาประชุมกันมารวมกันอยู่ก็เลยเรียกว่ากายทีนี้สิ่งที่มาประชุมกันอยู่เนี่ยกายคือผมเป็นตัวอลไรเนี้ยของที่มาชุมนมุมมาประชุมกันอยู่นั้นนะ่ะงามหรือไม่งามงามไหมใช่เพชรนนจินดามาประชุมกันไหมไม่ใช่เลยใช่ไหม เนี่ยที่มาชมนงมารวมรวมกันอยู่ไม่ใช่เพชรนินจินดาไม่ได้แแคแหวนเงินทองอะไรเลยนะไม่ใช่ของสวยงามอะไรเลยที่มาประชุมกันเนี่ยรวนแต่เป็นของที่ไม่งามเอาของที่ไม่งามปัญหาบอกว่าไม่งามมันเขาเรียกอสุภะใช่ไหมจิม่โยสุบาโนะผมคำว่าอสุภะแปลว่าอะไรมันแปลว่าไม่งามแต่สัตว์โลกไปเห็นวิปริตว่างามเห็นไหมทีนี้เขาต้องบอกว่ากายนี้แหละ คนพาณยินดีชอบใจนะคนพานีิยินดีชอบใจนะเห็นแล้วก็เพลิดเพลินว่ังงามเป็นแท้ที่จริงเนี่ยกายทั้งหลายก็หมายความว่าที่สัตว์ทั้งหลายไปยินดีไปสําคัญผิดว่างามเป็นต้นเนี่ยเมื่อไปยินดีไปยินดีไปเพลิดเพลินแล้วเนี่ยเขาถึงบอกว่าในสรีระทั้งสิน้นตานันเนี่ยเป็นที่ไหลออกของอะไร ใช่ไหมเป็นที่ไหลออกของตาน้าตาขี้ตาไปต้นหูก็เป็นที่ไหลออกของไม่สะอาดจมูกก็ของไม่สะอาดไหลออกที่ปากก็สเลกน้ำลายเนยทวารหนักทวารเบาก็ที่ไหลออกของอุจจระปัสสวะทั้งกายทั้งสิ้นก็เป็นที่ไหลของเหงื่อไครทั้งหลายและที่น่าเกียิที่สุดก็คือว่าเมื่อเราเห็นกายที่ไม่งามเลยใจของเรานั้นก็เป็นที่ไหลออกของกิเลสกิเลสก็ไหลออกท้งตาใช่ กิเลสเป็นน้ำหนองกิเลสท่านอุปมาเหมือนน้ำหนองโยนปานองไอ้น้ำหนองคือกิเลสก็ไหลออกมาทางตาน้ำหนองคือกิเลสก็ไหลออกทางทวารหนูน้ำหนองคือกิเลสก็ไหลออกทางทวารจมูกทวารลิ้นทวารกายทวารใจใช่ไหมนั่นเมื่อมีความยินดีเพลิดเพลินเกิดตัณหาเกิดโทสะเกิดโมหะเกิดมานะ่ก็แปลว่าอะไรแปลว่าไอ้ตัวน้ำหนองคือกิเลสมันก็ไหลออกเห็นไหมก็เรื่อว่าอาสวะเนี่ยอีกในหนึ่ง นอกจากแปลว่าหมักดองแล้วยังแปลว่าน้ำหนองด้วยนะกามาสะวะเหมือนน้ำหนองไหลออกละเมื่อช้าไหลออกเมื่อไงน้องไหลไหมราคะไหลไหมความยินดีโทรศัพท์หมุดหงิดอะไรบ้างหรือเปล่ากลัวอะไรบ้างหรือเปล่าโมหะไม่รู้ตามความเป็นจริงไหลไหมเห็นผิดไหมเห็นสัตว์เห็นเป็นสัตว์บุคคลอยู่ไหมเห็นเป็นสัตว์บุคคลอยู่เลยเห็นว่างามอยู่เลยไหมเห็นไหมว่าจริงๆแล้วมัน น้ำหนองก็ไหลออกโดยอาศัยทวารตาของบูรีนี่ใชชตอนนี้มันไหลเปิดอยู่ตลอดเวลาไหมเมื่อไรเน้ะเราจะรักษาโรคใช่ไหมสกัดไม่ให้น้ำห น, นองมันไหลออกคือราคาโทรศัพท์หนึ่งอุปมามนหนองนะฉะนั้นถ้าบอกว่าพระอาริยะทั้งหลายท่านเดินมาแถวนี้ท่านจะพูดอะไรท่านบอกโอ้ใครมาเดินชยกินอยู่แถวนี้เพราะอะไรกิเลสคือเป็นน้ำหนองน้ำเลอดมันไหลออกมา นั่นพวกเราเป็นสัตว์ที่สะอาดหรือไม่สะอาดเป็นสัตว์ที่ไม่สะอาดใช่ไหมฉะนั้นถ้าปรารถนาสะอาดก็สัตตานังวิสุทธิยาเพื่อความหมดจดใช่ไหมเพื่อความสะอาดของเราสัตว์ก็ต้องเดินตามทางนี้สติบัตถานนั่นเมื่อเรารู้ว่าเราเป็นสัตว์ที่ไม่สะอาดนะโยมมงคล น, นะเรามีน้ำหนองไหลออกทุกไหลออกตลอดเลยน้ำหนองคือกิเลสนะนะไหลออกทางตาบานตามองอะไรปุ๊บ ชอบใจไม่ชอบใจสะเราพัด น, น้ำหนองมันไหลตลอดนะเห็นัหยนั้นตรงเนี้ยแปลว่าเรานั้นเป็นศัตว์ที่ไม่สะอาดพระพุทธเจ้าบอกว่าบอกอริสง์เลยเดินตามทางเนี้ยสัตวานังวิสุทธิยาเพื่อความบริสุทธิ์หมดจดของเราืะออปราศจากต้องการให้น้ำหนองมันหยุดไหลแล้วก็ทำให้ลบรักษ า, าโรคนั้นหายอย่างอย่างอย่างเท้าบอดให้เดินตามทางนี้นน ว, นวันวันหนึ่งใช่ไหม พมมอย่าลืมนะว่าพระอรหันตตาเจ้าทั้งหลายเวแบบลาสมมติท่านมาเกี่ยวข้องพวกเราท่านไม่อยากอยู่เพราะอะไรรู้ไหมท่านเหม็นเหม็นกิเลสที่ไหลออกมายธรรมาวาเพราะท่านเห็นเป็นน้ําหนองดีนั้นเราเป็นสัตว์ที่ไม่สะอาดเข้าใจคํานี้ไหมท่านพระพุทธเจ้ากระเชิญชวนเลยเธอทั้งหลายเธอรู้ว่าเธอทั้งหลายเป็นสัตว์ที่ไม่สะอาดแล้วปรารถนาจะบริสุทธิ์หมดจดของเราสัตว์พระเจ้าเอกายนามกนี่ไงกายานุปัสสนานี่ไงเวทนานุปัสสนา นี่ไงจิตตาลุกัาสนานี่ไงธรรมมาลุปศาสนาท่านี้เข้าใจไหมนี่พระเจ้าคําสอนของพระเจ้าชัดไหยแล้วก็ไปนึกตลอดเวลาที่วันนี้น้นํานองไหลมาเยอะไหมเมื่อเช้าไหลบ้างไหมไปดูเสื้อแดงไหลเยอะ เ, อเห็นไหมไหมดปูปบมันจะไหลออกมาเป็นลุ้นเลยไหมอย่าไปดูดูแล้วมันไหลเยอะเข้าใจปะ แล้ทายัางไงเราจะปิดไม่ให้น้องไห ล, ลนลตรงนี้เท้าสากัาเนี่ยอพอน้ำหนองคลีเรตมันไหลคล้ายๆว่าถ้ามันจะไหลแปลว่ามันล้นใช่ไหมมันล้นมันล้นในกระแสขันของท่านเหล่านั้นไอ้น้องมันแตกแล้ว โศะของท่านน่ะของโทมานาเสวีนาของเท้าเธอก็ไหลออกมาพระพุทธเจ้าไม่ต้องมาบอกท่านเลยซ้ําว่าเป็นอะไรท่านเห็นหมดน่ะกระแสใจของท่านเนี่ยเนาะชาวหน้าปิญญาจิตของท่านเนี่ยแค่เห็นก็โอ้โหกิเลสเป็นหนองไหลเต็มท่วมเนี่ยคนอื่นมองโอ้โหงามมากเท่าสกกะแต่พระพุทธเจ้ามองโอ้โหไม่สะอาดเลยเข้าใจยัง ใช่ไหมจะจะอาดได้ไงก็กีเดตไหลท่วมตัวอยู่อะนั้นคนที่เป็นพระดิยาทั้งหลายท่านเห็นพวกเราอย่างนี้เห็นน้ำหนองมันไหลเปื่อยไปหมดแล้วท่านอยากจะเกี่ยวข้องกับเราแม้ด้วยเท้าไหมแต่ท่านกรุณาเรามากเห็นไหมพระมหากรุณาที่คุณของพระบรมศาสดากรุณามากต่อมาท้าสา ก, า ก, ก่า ก, ก็โกรธก็ไว้ยไอ้น้ำหนองก็ไหลยอยู่นั่นแหละโท ม, มันัดเกิดก็ไหลท่วมใช่ไหม คือขนาดอยู่ร้อยโยดเหม็นเข้าใจยังอยู่เป็นร้อยร้ยโยตอยู่เป็นยต์โยตเนี่ยสิบหกกิโลเมตรนี่เหม็นเนึ่ยกลิ่นของมนุษย์เนี่ยเั็นไหมพระอริยะทั้งหลายเนี่ยท่านจะต้องอยู่ห่างอยู่ในป่าปกันถึนจะสวนใหญ่ท่านไมค่อยอยากมาเกือกกลัวกับมนุษย์เท่าไหร่หรอกท่านเหม็นแต่ด้วยพระมหากราุณาธิคุณของพระบรมศาสดา เพราะกรุณาในใจของพระอริยะเจ้าทั้งหลายทั้งป่านนี่แหละที่ท่านนําพระธรรมสืบทอดมาให้กับพวกเราทั้งหลายนั้นพวกเราเต้องเข้าใจว่าเราเป็นสัตว์ที่ไม่บริสุทธิ์ไม่หมดจดจากกิเลสเหานั้นยังประกอบไปได้วยทุกขโทมานัตและความทุกข์กายและความทุกข์ใจถ้ามีโสกะผลิเดวะใช่ไหมถ้าปรารถนาจะบรรลุอริยามรรคปรารถนาจะกระทําพระนิพพานได้แจ้งต้องนี่ศึกษาคําสอนของพระเจ้าแล้จะชัด แลถ้าเราเห็นอย่างเงี้ยเราจะรู้จากโทษของกิเลสฉะนั้นอย่างเราท่านทั้งหลายก็มาอยู่ใกล้ๆกันก็ก็ไม่ค่อยเหม็นแต่ถ้าใครตรึกมากๆเข้าก็รู้สึกเหม็นตัวเองใช่ไหมถ้าเห็นคนอื่นที่มีกิเลสเยอะๆหน่อยก็ก็รู้สึกส่เสียแล้วเขาใจอยากเราเนี่ยลองดูดิเอาให้โยมสุารนะผมลองไปไข้ควนมากๆ จนตนเองนะั้นกันกิเลสได้เป็นดรทางเข้าพราพัจนเป็นอธัธยาสายัยเป็นอนุสติยะอนุปัสติยะชัดเลยนี่นะเริ่มไม่อยากเกิดกลัวความรู้สึกจะเป็นยังไง ร, รู้ไหมจักไม่อยากค่อยเกิดกลัวคนจะมีความรู้สึกโอ้โหไปเกิดกลัวแล้วรู้สึกเริ่มเข้าใจได้ไหมว่าทําไมทําไมคนบางคนเขาไม่ค่อยอยากเกิดกลัวหรือคนที่แม้จะเป็นผ้าเป็นครวาตก็ครว่าตบางท่านก็ชอบเด็กเล่นเพราะอะไรรู้ไหมท่านเข้าใจไอ้กลิ่นของ ของกายยทุจริตวจีทุจริตโดยเฉพาะกลิ่นของมโนทุจริตคือราคาโทรศัมือห้ามันไหลพอเห็นปั๊บนี่แต่ท่านจะอัดถาตัวนั้นท่านท่านอ่านออกถ้าคนอ่านอัถาตัวนี้ไม่ออกไม่เข้าใจนะว่ามันไหลออกมายัางไงเนี่ยนะก็จะไม่รู้จะไม่รู้ความ ร, รู้สึกว่าเออหน้าเหม็นเนี่ยเนี่ยลองลองไปใครใ่ควณอยู่ดีเราจะรู้สึกว่าเอาสมมุติว่าเขามองว่า ง, งามแต่ถ้าถามบอกว่า กิเลสที่มันไหลออกเป็นหนองไหลออกมาอย่างนี้มันจะงามได้ไหมมันจะงามไม่ได้เพราะเป็นสัตว์ที่ไม่บริสุทธิ์เราท่านทั้งหลายจะมาพิจารณาอย่างนี้เรามันจะเห็นโทษตรงนี้ต่อมาก็ตั้จา่าสิกาคน ท, นทันเทพบุตรก็ไม่ยอมบ อ, อกมาสัทีมรสนนาภุริเจ้าจจนเพลนเนี่ยนเะท้าเธอก็กระซิบบอกรีบทูลรายงานที่เท้าศีากขาหัวล้อเปล่ามันจา่าสีกขาก็เลยไปจูพรากว่าข้าแต่พระองค์โูรดจเจริญ ตอนนี้ท้าสกะพร้อมทั้งบริษัทสองเทวสถานขอเข้าเฝ้าพรุทธเจ้าพระเจ้าว่าอนุญาตกลับมาเม่ท้าสกะดก็กราบก็ยืนเป็นนมมือแต่มากเทวดาจะยืนฟังธรรมนะยืนฟังธรรมคือเคารพนะยอมบังควยืนเป็นนมมือกราบทูลถามพระพุทธเจ้าน้อยใจบบเขาก็เอาพรเจ้าพระเจ้าไม่ไม่โกรธอาการ บอกว่าครั้งก่อนพระเฝ้าพุทธเจ้าตอนที่ว่าพระองค์อยู่ในสมาบัติไม่ทราบว่าเทวดาที่เฝ้ากราวทูลพุทธเจ้าหรือเปล่าว่าข้าพระองค์หมูเฝ้าพุทธเจ้าป่ากกราบทูลพรเจ้าบอ่อตอนนั้นอาตมาเนี่ยอยู่ในสมาบัติหรือต ถ, ถาคตอยู่ในในสมาบัติแต่เสียงเพลาล้อเสียงดุมล้อกระทบกับเพลของเท้าสกามานทําให้ต ถ, ถาคตออกจากสมาบัติ บอได้ยินไม่ไม่ต้องมีใครทูลบอกรอพุทธเจ้ารู้ก่อนหน้านั้นได้ทราไปใช่ไหมระดับพระสัมมาเลยพุทธเจ้ก็เท้าสกาเขาเลยมาถามปัญหาพุทธเจ้าหนปัญหาที่เท้าสกาถามก็ถามในเรื่องของนั่นแหละที่กล่าวไว้แต่แรกนั่นแหละข้าแต่พระองค์พูนในรทุธเทวดามนุษย์อสูรคนทันมีอะไรเป็นเครื่องผูกพันใจสัตว์อื่นเป็นนั้นมากชนเหล่านั้นเป็นผู้ไม่มีเวรไม่มีอัจฉิยาไม่มีศัตรูไม่มีความคับแค้นใจ มีความหวังอยู่ว่าขอพวกเราจงเป็นผู้ไม่มีเวรเป็นต้นอยู่เถิดแต่จะไหนคนเหล่านั้นยิงจองเวรกันเป็นต้นดังที่ได้กล่าวแล้วอันนี้มาย้อนรอยให้ฟังนะย้อนรอยให้ฟังเคที่มาย้อนรอยตรงนี้ให้ฟังอันนี้สุดจริงๆก็คือพระเจ้าก็กล่าวเรื่องรทิ์สยาและความตนันีว่าฤทิษยาและความตนีเนี่ยเป็นปัจจัยแก่การที่จะทําให้อิสสาก็ได้รทิษยาก็ได้เนะียอันเดียวกันนั่นแหละแต่ความตนีริษยาและความตนนีนี่แหละเป็นปัจจัยทําให้ สัตวโลกนั้นเกิดการขัดแย้งกันเกิดการทะเลาะกันทั้งๆ ท, ท, ที่หวังดีต่อกันเนี่ยแต่ไปก็ขัดแ ย, งย้งนี่ยนี่เราก็เห็นโทษตรตงนั้นที่เราเห็ น, หนกันอยู่เนาะทั้งความดันหนีทั้งความริ ษ, าษยานั่นไปเจาะหรือก็จะเห็นคำสอนพุทธิยถาแล้วประกาศต่อมาก็ถามบอกว่าอะไรเป็นปัจจัยของริษยาและความดันหนีพุทธิยถาเร า, าปียาปียาอารมณ์เป็นที่รักและไม่เป็นที่รักฉะนั้นอารมณ์เป็นที่รักและไม่เป็นนีรักที่รักนี่แหละเป็นปัจจัยแก่ความริษยาและความ ตันีฉะนั้นเมื่อชอบก็หวงเนาะถ้าไม่ชอบก็เป็นไงนะก็ลำเกียดไปเป็นโทสะไปเลยที่นี่นะสรุปตรงนี้เหมือนตนันีจริงๆเนี่ยก็เป็นชื่อของโทสะเลสยาก็โทสะเป็นน้องๆของโทสะสองกลุ่มนั่นแหละในที่เนี้จริงๆเนะี่ยอะไรเป็นปัจจัยเกี่ยวามเกิดโทสะสองกลุ่มนี้กลุ่มตนันดีกลุ่มไม่ชอบไม่เย็นดีสมบัติและ คุณความดีของบุคคลอื่นใช่ไหมลิศยาแล้วก็ห่วงแหนสมบัติและคุณความดีของตอนนี่คือตมัชชริ ย, ยาเนี้จะเป็นอย่างเงี้ยหวงแหนแล้วก็เลยบอกอะไรเป็นปัจจัยเกิดอารมณ์เป็นที่รักหรือไม่เป็นที่รักว่าชันทะที่เป็นไปกับตันหาอะไรเป็นปัจจัยแก่อารมณ์เป็นที่รักและไม่เป็นที่รักว่าความตรึกคือวิตกวิตกในที่นั้นหมายความว่าเป็นวิตกที่เป็นไปกับพวกมิจฉาวิตกนะ เป็นพวกมิจาวิตกพวกกามวิตกพวกพยาบาทวิตกพวกวิหิงสาวิตกเนะี่ยวิตกที่เป็นไปกับอกุศลแล้วก็บอกว่าอะไรเป็นปัจจัยให้เกิดวิตกมีปัปปัญจะทำเลยปัปัญจะทำในที่นั้นเป็นชื่อของอะไรเป็นชื่อของอะไรที่จริงก็คือคําคํานี้ก็เรียกว่าธรรมที่ทําให้เนิ่นช้าเนี่ยตัณหาตัณหานี่เหมือนปัญญาไหมเหมือนไม่เหมือน สภาพของตัณหานี่เหมือนเหมือนปัญญาเนะี่ยไม่ใช่ไม่เหมือนนะตัณหาเหมือนปัญญาตัณหานี่เหมือนปัญญาเออิเวลาเราศึกษาคําสอนตรงนี้เราจะทําให้เราเข้าใจนะว่าพวกตรงนี้ก็ไปเข้าใจในคําสอนที่พระพุทธเจ้าสอนในเรื่องของสภาพของตัณหาที่ว่ายึดติดด้วยตัณหาสําคัญผิดด้วยมานะเห็นผิดด้วยเห็นไหมเนี่ยสามตัวนี้ต้องระวังอยูเพราะเป็นธรรมชาติที่ตัณหาสมะ นุปัสนาตามเห็นด้วยตัณหามานะสมานุปัสสนาตามเห็นด้วยมานะทิฏฐิสมานุปัสสนาก็ตามเห็นด้วยเห็นไหมเพราะตัณหามานะทิฏฐินี้เป็นสภาพที่จะเกิดขึ้นในกระแสขันของสัตว์ย่างยาวนานแล้วสัตว์เข้าใจว่าเป็นบัญญัติเห็นไหมที่เราไปคิดคดกันอยู่ทุกวันเนี่ยใช้ตัณหาคิดใช้มานะคิดแล้วก็ใช้มิจฉาทิฏฐิคิด แต่สัตว์ก็เข้าใจว่าไอ้สามตัวนี้เป็นปัญญาก็เว้นอยู่อย่างนี้นจะกินอาหารจะกินเนต้อหนามานะทิธีนุ่งเสื้อผ้าทําบะทําการงานค้าขายประกอบอาชีพต่างๆอย่างไงพอผลออกมามันเครียดนะเออไม่อยากหรอกผลออกมาก็คือมันเครียดมันกลุ้มมันไม่สบายใจมันไม่ค่อยสะดวกเป็นตัวเรานี้่นะทําเหล่านี้เป็นเหตุทําให้เดินช้าจัดตั้งหลายออกไม่ได้หน้ากรุณาตัวเองไหม เรียนเรื่องตัณหาได้ออกจากตัณหาไม่ได้เรียนเรื่องมานาแต่ออกจากมานาไม่ได้เรียนเรื่องทิฏฐิแต่ออกจากมิจฉาทิฏฐิไม่ได้ถ้าไม่เรียนนี่ะก็ไม่เป็นไรเพราะไม่รู้ใช่ไหมนี่มานั่งเรียนเรียนเรียนแต่มันเลยไปอยู่ในกระดาษทั้งหมดเลยแต่สภาวะที่จริงๆว่ามันเกิดไม่รู้จะ ก, การยังไงไม่รู้จะละยังไงใช่ไหมใช่เนีย่ยตรงนี้สงคัญมากฉะนั้นพระเจ้าก็ได้สอนว่าทําไมตรงนี้คือทําไมพระบรมศรรษษษาสดาทําไมจึงสอนรูปกรรมฐานแก่เท้าถือ ต่อมาพระเจ้าก็สอนเรื่องเลยพอจบ ป, ปัจจัยธรรมตรงนี้ก็บอกเลยบอกนี่ไงทำที่ทําให้เนิ่นช้าก็คือ ป, ปัจจัญธรรมนี่แหละพอท้าสกาฟังจริงๆท้าสกะก็อนุโมทนาวาสิตพระเจ้ามาตามลาดับเลยนะเพราะเทวดาท่านมีปัญญาเนาะเวลาท่านฟังปุ๊บปุ๊บ ป, ป, ป, ป, ป, ปุมาเนี่ยท่านก็ฟังเข้าใจอัดและพญยายนะสภาวะอัตตาต่างๆอย่ า, า, านี้ปรากฏชัดแคเวลาศึกษาคําสอนของพระเจ้าเนี่ย เวลาท่านพูดถึงในเรื่องของอัดของคําว่าไม่เทียเยเท่ยงเนี่ยไม่เที่ยงเนี่ยท่านก็ชัดพอพูดถึงเป็นทุกข์เนี่ยท่านก็ชัดใช่ไหมแต่พออย่างเราท่านทั้งหลายเนี่ยเวลาจะศึกษาคําสอนต่างๆเหล่าเนี้ที่พอบอกไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นนาฏตาอะไรต่างๆเหล่านี้เเรามองอยังไงก็มองไม่ค่อยชัดเนี่ยนะเหตุที่เป็นอย่างนี้ก็เพราะอะไรเพราะในการที่เราท่านทั้งหลายเนี่ยอัตถะต่างๆเหล่าเนี้ยไม่ค่อยปรากฏในใจของเราให้มันให้มันชัดเท่า เหตุผลก็คือว่าเวลาเราศึกษาคําสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยยกตัวอย่างเช่นว่าพระบอกว่าอา น, นิจังใช่ไหมพระบอกว่าอา น, นิจังเนี่ยอย่างยกตัวอย่างถ้าถ้ายกที่เปรียบเทียบให้เห็นที่จุดก็คือว่าผมคนและฟันหนังเนื้อเนี่ยเอาพูดเรื่องรูปก่อนเนี่ยจะเห็นหยาบๆแล้วจะมาน้อมในเรื่องของนามกายคือผมเป็นต้นเราเนี่ในกายคือผมเป็นต้นเนี่ยเราไปคําว่าผมนี่เป็นบัญหยาดไหมเป็นบัญหยาดเนี่ย แล้วก็ผมหญิงผมชายนี่ก็เป็นหยัดซ้อนเั็นหยาเลยใช่ไหมไอ้อผมเป็นเมีหยัดอยู่แล้วว่าผมของหญิงและผมของชายก็เลยมาเัญญา็นหยาดซ้อนทับลงไปเขออ้าอีกใช่ไหมจ๊ะถามว่าที่นี้ในผมอ่ยที่เป็ดเป็นผมออกมาแต่ละเส้นในนั้นคือดินใช่ไหมน้ําไฟลมสีกินแล้วรชาติท่ น, นนี้นใช่ไหมฉะนั้นปฐวีกายก็อยู่ในผมนี่แหละอาโปกายก็อยู่ในผมนี่แหละเตโชกายวายโยกายใช่ไหมกายคือผมคําว่ากายคือผมท่านต้องการให้ไปเจาะว่าในผมนั้นมีมหาพูด ในผมนั้นมีอุปาทายรู้เอาเราเคยคิดถึงเนื้อในของผมขนาดนี้ไหมเคยจเจาะก็ไปถึงขนาดนี้ไหมเพราะในนั้นจริงๆมันมีดินน้ำไฟลปมนน ป, ลประชุมกันอยู่นั้นดินน้ำไฟลมประชุมกันอยู่นั้นก็เลยมาบัญญัติว่า น, นี่ผมเอเพราะมันยาวๆที่มาอยู่ที่บนศรีรษะของโยมสุพรรณโอบอกว่าผมของผู้หญิงถ้าอยู่ของที่ศรีรษะของพระเรียกผมของผู้ชายเห็นไหมแท้าจริงๆก็คือดินน่ะ ดินน้ำปายลมอ่ะที่อยู่ในผมนั่นเนี่ยไอตัวเนื้อในของสิ่งนั้นเนี่ยเราไม่ค่อยรู้กันหรอกไม่ค่อยจะเจาะลึกจึิงอย่างนั้นเหมือนเรามองเนี่ยก็หนังสือแค่นั้นเองแต่เราไม่เคยเจาะเข้าไปถึงเนื้อในของตัวหนังสือว่ามันคือดินน้ำปายลมยังไงหรือไงไหมไม่ติดมาเนะี่ยมีเทียนเนี่ยแต่เราไม่เคยเจาะลงไปวอาในในเนื้อในที่ของเทียนนั่นคือดินน้ำปายลมหรือในแก้วเนี่ยเราก็ติดกันแค่แก้วแค่ขวด แต่การที่ไปเจาะเข้าหาเนื้อในของแก้วของขวดคือดินน้ําไบลมเนี่ยเราเคยคิดกันขนาดนั้นไหมทีนี้ลองมาพิจารณาดูที่ว่ากายคือผมเป็นต้นเนี่ยกายที่ประกอบหรือที่เกิดจากสมูทฐานทั้งสี่ใช่ไหมกายคือกายที่อยู่ในผมคือดินน้ําไบลมที่อยู่ในผมนั้นเกิดจากกรรมก็มีดินน้ําไบลมที่อยู่ในผมนั้นเกิดจากจิตก็มีดินน้ําไบลมที่อยู่ในผมเกิดจากอุตุแลหารเป็นต้นก็มีเนี่ยเห็นไหมถ้าเรามองลึก ฝึกคิดลงไปอย่างนี้เราจะเห็นอ๋อคําว่ากายเนี่ยไม่เที่ยงมันจะเริ่มเข้าใจเข้าใจอะไรรู้ไหมกรรมเป็นปัจจัยแกผมได้ยังไงจิตที่กําลังเกิดขึ้นแต่ละขณะจิตเป็นปัจจัยแกผมยังไงอาหารที่เราดื่มเข้าไปเป็นโอชาผ่านลิ้นลงสู่กระเพาะต่อมาก็ย่อยออกไปไปเป็นเลือดในการวิ่งไปตามกระแสเส้นไสายเส้นเอ็นต่างๆแล้วก็วิ่งไปตู่ตามสรีระร่างกาย แล้วไปหล่อเลี้ยงผมแท้จริงก pues cool ับตัวนั้นก็คือเป็นตัวเป็นหล่อเลี้ยงดินน้ําไฟลมที่เกิดจากกรรมจิตดวงอาหารใช่ไหมทำให้ดินน้ําไฟลมที่เกิดจากอุตุอาหารเป็นต้นอยู่ได้ไม่ใช่แค่นั้นไงจิตที่เราคิดแต่ละขนาดแต่ละขณะก็ยังเป็นปัจจัยแก่ทําให้ดินน้ําไฟลมเกิดขึ้นในผมเป็นต้นได้อุตุความเย็นความร้อนก็เป็นปัจจัยแก่ดินน้ําไฟลมในผมเป็นต้นได้แม้กรรมในดีแม้วิชาศสนากรรมในดีก็เป็นปัจจัยแก่ดินน้ําไฟลมที่เกิด ในผมเป็นต้นไดน้แล้วก็จะเห็นโอ้โหคําว่าไม่เที่ยงเพราะสิ่งสิ่งนี้ยคําว่าผมอย่างเดียวเนี่ยมันเกิดจากปัจจัยมากมายมีใครคิดได้ลึกขนาดนี้ไหมยากไหมที่คิดอย่างนี้ <c oughs> <c oughs> เห็นไหมอันนี้พอพูดรู ป, ร, ปรูปเรามาเปรียบเทียบเวทนาให้ดูว่าในชั้นของเวทนาถ้าในชั้นของเวทนายิ่งยิ่งดูดูยากเนาะ ว่าจริงๆทั้งๆที่เวทนาเกิดขึ้นกับเราท่านทั้งหลายนี่แหละว่าเวทนาเกิดขึ้นกับเราทั้งหลายก็จริงใช่ไหมแต่ในชั้นของเวทนาเมื่อเกิดขึ้นมาแล้วเนี่ยว่าตัวเวทนาขันเป็นต้นเหล่านั้นเมื่อเกิดขึ้นถามเวทนามี อ, อะไรเป็นปจนะัจจัยนยภาษาใช่ไหมเวทนาเกิดขึ้นจากภาษา ถ้าสมมุติอย่างนี้นะบอกว่าถ้าดูรูปกับดูนามเนี่ยอย่างเราเราเนี่ยอะไรชัดกว่ากันถ้าเราดูในคำสอนของพระพุทธเจ้าเนาะพระพุทธเจ้าสอนบอกว่าสอนบอกว่ารูปไม่เที่ยงเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณ ไม่เที่ยงรูปเป็นทุกเวทนาสัญญาสังขารนิยามเป็นทุกรูปเป็นอนัตตาเวทนาสัญญาสังขารนิยามเป็นอนัตตาใช่ไหมทีนี้ก็ต้องมาพิจารณาถ้าในส่วนของรูปเนี่ยถ้ามองถึงในลักษณะบอกว่าสภาพที่ไม่อยู่ในอํานาจคือสภาพที่ไม่มีใครเป็นใหญ่ในความคิดบอกว่ารูปที่เกิดขึ้นอย่าตั้งอยู่รูปที่ตั้งอยู่อย่าคําค่ารูปที่ค้าค่าอย่าแตกสลายอย่าลําบากเพราะการเกิดขึ้นและการดับไปเลย นี่บังคับไม่ได้ก็เหมือนกันเวทนาถ้ามองดูสภาพบอกว่าเราเนี่ยไม่มีอำนาจไปจัดการอะไรกับเวทนาเราจะไปบอกว่าเออไม่เป็นใหญ่เพราเวทนาที่เกิดขึ้นจงตั้งอยู่เวทนาที่เกิดขึ้นอย่าแปรปรวนเวทนาที่เกิดขึ้นอย่าแตกสลาย เราเราท่องได้เราหวังได้แต่จริงๆเป็นไปได้ไหยเห็นไหมเนี่ย yeah? เราจะเห็นในเวทนาเนีเป็นอย่างนี้นั้นสภาพที่ไม่มีผู้เป็นใหญ่คือสภาพที่ไม่มีใครเป็นใหญ่นะเขาเรียกว่างเปล่าก็คือว่าว่างเปล่าววก็คือว่าจากผู้อาศัยผู้กระทาผู้เสวยและเป็นผู้ใหญ่ปราศจากในกรณีอย่างนี้ก็มองในแง่ของการเป็นอนัตตาเนี่ยนะทีนี้คำว่า พระพุทธเจ้าถามถามบอกว่ารูปเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปเวทนาเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปจึงเป็นของไม่เที่ยงรูปที่ไม่เคยมีมาก่อนเกิดมาเพราะเหตุปัจจัยที่พร้อมเพียงกันแล้วไม่เกิดอีกเพราะต้องดับไปจึงเป็นของไม่เที่ยงคือไม่คงที่เพราะแปรปรวน รูปไม่เที่ยงเวทนาสัญญาสังขารมียางไม่เที่ยงมีสภาพเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปดำรงอยู่ชั่วขณะมีสภาพแปรปวนเป็นที่สุดแล้วก็ปฏิเสธความเที่ยงเนี่ยนะเอาถ้ามาพิจารณาอย่างนี้ก็แบบดำรงอยู่ชั่วขณะที่วันที่ครั้งแล้วที่บอกว่าไอ้เอกฟ้าแรกเนี่ยแป๊บเดียวการกระพริบตาเนี่ยแป๊บเดียวถ้าถามว่าอย่างเรานี่เข้าใจใช่ไหมว่าไม่เที่ยงเนี่ย แต่ถ้าลองมาพิจารณาดูว่าแต่ความไม่เที่ยงของเราเนี่ยเราก็ไปมองจ้องเฉพาะตัวเวทนาแต่เราไม่เคยไปเข้าใจลักษณะของเวทนาเป็นอย่างไรกิจของเวทนาเป็นอย่างไรอาการปรากฏของเวทนาอย่างไรเหตุใกล้ของเวทนาเป็นอย่างไรโดยเฉพาะเหตุใกล้อะถ้าจริงเวทนามีผัสสะให้สังเกตดูนะว่าอาศัยตาอาศัยรูป อาศัยจากกูอิงยาณประชุมกันนี้เป็นภาษะเห็นไหมพอภาษะเกิดปุ๊บก็เป็นปัจจัยเกิดจากกูสมัมปัสชาหรือเวทนาก็เกิดเราจะเห็นกระบวนการการเกิดขึ้นว่าจริงๆท่านไม่ให้ดูเวทนาตัวเดียวนะท่าให้ดูบอกว่าเวทนาเนี่ยเป็นธรรมที่เกิดจากปจาัจจัยแต่ถ้าไปดูในชั้นของสติปัฏฐานเนี่ยท่านจะกล่าวเรื่องไอ้ที่ไม่เที่ยงเป็นทเป็นอนัตตาที่ถ้าใครดูแค่ในชั้นของพระบาลี อย่างเดียวนี่นะไม่ดูในชั้นขออัจริยะหรือาาดีกาเนี่นะอธิบายก็จะไปตามเขาหมดเลยเพราะพุทธประสงค์ที่ท่านอธิบายอธิบายเพื่อคนเข้าใจในชั้นของอัจรถยะหรือดีกาท่านจึงขยายลงมาอีกเลยขยายพุทธพจน์เพราะท่านรู้พุทธที่ว่าย่ังไงท่านก็ขยายบอกว่าที่ท่านกล่าวไม่เที่ยงเป็นทุกขณากาเนี่ยท่านกล่าวโดยฐานะเป็นสมัสณายันเป็นต้นไปนะ ท่านยังไม่ได้กล่าวด้วยฐานะเป็นนามรูปปริเฉตยานปัจจะปริกหายางเอ้าทำไม <c oughs> ทําไมท่านไม่กล่าวตรงนั้นเพราะอะไรเพราะท่านเหล่านั้นเข้าใจหรือยังเข้าใจแล้วแต่เราเข้าใจอยังเรายังไม่เข้าใจใช่ไหม เอกยอมสุพรณณหงเข้าใจคำว่าสมมสัญญาณพิจารณาโดยความเป็นกราบสมมสนะเป็นต้นคือคือพิจารณาโดยความไม่เทียยงไมทุกข์เป็นหน้าตา ตรงนั้นเวลาสอนท่านสอนรักษาว่าเพื่อคือท้าสอนเพื่อกลุ่มที่เขาเข้าใจนามรูปดีแล้วเข้าใจขันดีแล้วอายตนทะท่าเป็นต้นดีแล้วอย่างเราทั้งหลายต้องเรียนแบบอนุบาลเรียนเเรียนจากเบื้องต้นนะ <c oughs> ตรงนี้ก็คือว่า ท่านต้องการอย่างเราทั้งหลายเพราะว่าที่บอกว่าเวทนาไม่เที่ยงสิ่งที่ไม่เที่ยงย่อมเป็นทุกข์สิ่งที่เป็นทุกข์ก็ย่อมไม่ใช่ตัวตนถ้าเห็นได้ปัญญาณชอบตามความเป็นจริงอย่างนี้ว่าก็จะละเวทนานั้นไม่ใช่ของเราเวทนานี้ไม่ใช่เราเวทนานี้ไม่ใช่อัตตาของเราใช่ไหม ละอะไรเนี่ยโดยมากเรายึดติดด้วยตัณหานะยึดเวทนาเนี่ยยึดติดด้วยตัณหาสําคัญผิดด้วยมานะเห็นผิดด้วยเทติยังมีคําว่าเอตังมามาเอโซมัสมิเอโซเอโมอตาสามตัวเนี่ยเรตังนั่นนะก็คือนั่นนั่นเป็นเราหรือนั่นของเราถ้าเอโซมัสมิก็คือเราเป็นนั่น ถ้าเอสโสเมียตาคือนั่นเป็นอัตตาของเราเห็นไหมข้อแรกที่บอกนั่นเป็นเราเนี่ยยึดติดด้วยตัณหาเราเป็นนั่นนี่ยึดติดด้วย <c oughs> มานะนั่นเป็นอัตตาของเราเนี่ยยึดติดด้วย <c oughs> เห็นผิดด้วยทิฏฐิเวทนาเกิดขึ้นแต่ละครั้งเลยก็ยึดบางขั้นยึดแบบไหนไปสําคัญผิดเห็นว่าเวทนากับเราเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน เป็นอันเดียวกันเลยเวทนาก็คือเราเราคือเวทนาเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันเลยกลุ่มนี้มักจะเห็นว่าเที่ยงพวกนี้พวกสัสตตตถิทิเมื่อเวทนาดับก็ถือว่าดับเลยไม่มีการเกิดอีกใช่ไหมไปสำคัญว่าแต่กลุ่มที่ไปสำคัญบอกว่าเรามีเวทนาถ้าเรามีเวทนานี่ไปสาคัญอะไรสำคัญสัญญาขัน สังขาละขันวิญญาณะขันและรูปะขันไปสำคัญขันสี่คือนามหนึ่งนามสามรูปะขันหนึ่งว่ามีเวทนาอยู่นี่สำคัญอะไรเหมือนต้นไม้มีเงาเหมือนต้นไม้มีเงาอันแรกเหมือนกับไฟกับแสงสว่างใช่ไหมสำคัญเป็นอันเดียวกันเลยแสงสว่างกับไฟกับแสงไฟไฟกับแสงสว่างเป็นอันเดียวกัน อันที่สองเหมือนต้นไม้มีเงาใช่ไหมสาคัญว่าเรามีเวทนา <c oughs> เอามีคนคนเคยคิดแบบนี้ไหมเคยคิดไหมว่าเราเรามีเวทนาสําคัญรูปเป็นเราใช่ไหมสำคัญเอาง่ายๆคือสําสคัญรูปส่วนสัญสญาสังขารกับวิญญาณเราอาจจะไม่ค่อยเข้าใจก็ได้นะคือสําคัญตัวรูปนี่เป็นเราและตัวรูปเนี่ยมีเวทนาอยู่ก็เหมือนสําคัญว่าต้นไม้มีเงาอยู่ยอมองคนเข้าใจใช่ไหม เราเป็นสำคัญไงสําคัญเรามีเวทนาข้อนี้เป็นไหมเห็นอยู่ไหมตอนเนี้เห็นเห็นว่าเป็นอย่างนั้นไหมเนี่ยอย่างนี้เขาเรียกกันยึดเห็นผิดด้วยไม่จช่ที่ผิ <c oughs> ทีนี้อีกข้อหนึง่งเมื่อกี้บอกว่าเรามีเวทนานี่เป็นสําคัญว่าเวทนาเนี่ยอยู่ในเรา แต่สําคัญตัวเวทนามันไปอยู่ในผมอยู่ในขนอยู่ในเล็บอยู่ในฟันอยู่ในหนังอยู่ในเนื้ออยู่ในเอ็นอยู่ในกระดูกอยู่ในเยื่อแต้กระดูกอยู่ในหัวใจเลยให้เวทนามันสิงอยู่ในรูปกายเนี่ยไปสิงอยู่ในในสัญญาในสังขารในอุญญานนี้ขยาอย่างเอาเห็นไหมนั่งอย่างนี้เข้าใจแบบนี้ไหมถ้ามีใครมีความเห็นประเภทนี้ไหมนั่งอย่างนี้ สำคัญว่อตัวเวทนามันสิงอยู่ในตาหูจมูกลิ้นกายใจเราไหมสําคัญว่าเวทนามันสิงอยู่ตรงนี้ไหมกลุ่มนี้ยพอตายแล้วสําคัญว่าเวทนาเนี่ยมันจะลอยไปหาที่เกิดใหมเดี๋ยวสาคัญอย่างนี้เมื่อตายเมื่อไหร่ไม่ได้เดี๋ยววาะไ อ, อ, อตัวเรานี่มันดับก็ได้ยิงนะบางทีไอตัวเวทนาทั้งหลายหรือรูปเนี่ยดับใช่ไหมสำคัญว่ารูปนี้ดับไปก็ได้แต่อีตัวเวทนานี่นะกลุ่มน้ำทั้งหลายเนี่ยมันลอยไปหาที่เกิด เดี๋วมันลอยไปเกิดเป็นเปรตบ้างเป็นสัตว์น ร, รกบ้างเป็นอสุรกายเป็สัตว์เลี้ยงช้านเป็นมนุษย์เป็นเดวดาอันนี้อมมาไงดีว่าเวท เ, เวทนาอยู่ในเราเนี่ยเหมือนอะไรดีเหมือนกลิ่นอยู่ในดอกไม้อะกลิ่นอยู่ในดอกไม้อะ่ะทีนี้ข้อสุดท้ายก็คือเราอยู่ในเวทนาไอาคําว่าเรานี่เป็นสำคัญรูปแล้วก็สําคัญสัญญาสังญาวิญญาณเนี่ยเป็นเราก่อนใช่ไหม สำคัญไอ้สี่เนี่ยโดยเฉพาะรูปเนี่ยเราถ้าเข้าใจยากก็เอารูปไปแล้วกันรูปเนี่ยนะเราเนี่ยมันไปอยู่เวในเวทนาเวทนาคมเราอยู่จริเหมือนเวทนาเป็นถุงเราเป็นของที่อยู่ในถุงท่านที่อุปมาเหมือนไงแก้วมณีอยู่ในหีบเราเหมือนกแก้วมณีไอ้เวทนามันหีบเราเหมือนเพชรมิ น, นดาไอตัวเวทนาเหมือนกับหีบเหมือนกับกล่อง ใส่เข้าไว้เวทนาคุมอยู่หมดเลยนั่นถูกตรงไหนถูกเวทนาเราหมดเลยถูกเราใช่ไหมก็คือเจ็บหมดนะทุกบ้างสุกบ้างอะ่ะใครว่าเราก็มันก็สุก ข, ขึ้นมาบ้างก็ทกขึ้นมาไหมถ้าใครชมก็สุขขกขึ้นมาทกขึ้นมาเพราะไปสําคัญในเวทนามันคุมอยู่อันนี้เหมือนเนี่ยเหมือนแก้วมั น, นีอยู่ในหีบอยู่ในโคดเขาอยากยากไหมยากไม่ยากเอา้าเรามีทิศถีประเภทไหนแรงที่สุดนะระหว่างสําคัญว่า เราก็าเวทนาเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันแยกกันไม่ออก